การศึกษาข้อหลัก็ระมิตราเป็นทุนออกจากบ้านจากเแม่มาอยู่วัดปาา่าลำวัดเป็นสถานที่ความเป็นบุผกุศลผู้ ท, ที่มาอยู่วัดต้องละความชัว่วทำความดี ไม่ไดับฮองเราความชั่วทำความดีมีเสียงถ้ไม่ละความชั่วไม่ทำความดีไม่มีสียงใรู้ว่าจ ะ, ปปาจะไปรูว่าทำไมเชื่อาว ที่ว่าใายธรรมดาตั้งเป็นจรานที่ศึกษาปฏิบัติแล้วเราก็เป็นนีดเป็นเพื่อนกับเรื่องนี้ปฏิบัติก็คือตามทางตามที่พระเจ้าทร ง, ง, งสอนอย่างไรในวันที่ผมแต่รู้เอาอย่าง มุคคนคนหนึ่งที่เป็นสามัญช น, นทำาระไรด้วยคิดจำเลืกเขลื่นไแล้วก็เรียนแบบนั้นต่อในรังเพนเดินหกนั้นเดินน้อยู่ใต้ต้นสีมหาโพไ์ด้ทาง จิดไว้ว่าเราจะนั่นงอยู่ที่นี่ถ้าไม่บรรลุธรรมสมมาสมโพ่อยากันเลนะี้ยจจะไวรู้นีจจกที่นี่เด็ดค่ะแม่เลือดเมื่ อ, เ, อ, เ, อ, เ, อเป็นกระดูกจะผูมพังไปก้อสามจะไม่เห็นเมื่อเราสอนยากก็สูตร ทำมาป่าหัเมื่อท้่นี้แม่เราทั้งหลายออกปวดจากเรือนแะลมีสัทธาคุณบุตรพูกมีศรัทธาออกปวดจากเรือนแล้วจประปารุกเดิ น, นแม่หนังเห็นกระดูกกำเนิท่ท้ไปกว่าสามทีจะไม่เลิกไวละแล้ว็ว่า่ว่าสวดทศน้มีบุคคลที่ทำมาแล้ว มีบุคคลที่พูดออกมาแล้วมีุคคลที่มีหัวใจเช่นนี้เกิดขึ้นจากบุคคลคนหนั้งต้องควมคิดตั้งปฏิธานเอาวัย่าง้เมื่อมีความตั้งใจไว้สิ่งใดก็ย่อมสำเร็จในสิ่งนั้นละล <c oughs> องดูซิ เพราะว่าต้องเจอใหทำจริงๆมตทนแบบนี้ไม่ใช่อาบเหงื่อหลังสู้ผ้าหน้าสู้ดินเหนื่อยไม่ล้าเป็นการตกแต่งเสริมชาติวิตของเราเลยอะไรที่ไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่เปลี่ยนให้ดีขึ้นเปลี่ยนกฤฤฤฤฤฤฤับพืธอเปลือยไปการที่นั่งลงแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายหลายอยา ตัง้งความคิดเท่าตายทั้งใจมันแสดงออกก็เอาหลับที่ตั้งใจว่าจากม่หนี้เป็นตายได้ดีอย่างไงอยู่ที่นี้แต่ไม่รู้ไปไหนสู้แต่วันปวดกันเมื่อยเด็กที่อยู่ส่วนใดส่ว น, นมีชีวิตแบบนี้ เราเคยทดลองแบบนี้มาพิสูจน์ตรงดูชี้ฉันชอบเสียล่างบานอยู่ที่ฉันเวลาฉันล่างหลัอยู่ที่ฉันอาหารไม่เหลือสักเม็ดไม่เอกไเที่ยที่ไหนเด่น่อย ยังไม่เคยสึกเป็ดแข็งเฉดน้ำเขาประหยัดของใครของเราไมมีขวดน้ำไมีเจ้าน้ำไมีก๊อกน้ำอยู่ที่ศาลาต้องไปตักน้ามาไว้สาหรับดื่มสำหรับใช้ให้ตลอดวันเท่าน้ำเปล่า น้ำขอสกควรเทน้ำจากบะเทน้มใส่ฝาบะาน้วฝาบะบางทีก็น้าล่างบะดื่มบางทีก็ไม่ดื่มเทรวมกันใส่กะละมังป็นแถวบะแล้วก็ เ, นเท น, น้ำก่อน ไปก็เทเทขันลมางไดยรูรยปได้น้ำเป็่ยวสองสากันมังเาขัมังที่นีน้ำน่ะจอดออไปแม่ชีเอาไปด้านถ้วยแม่ชียาไปด้านถ้วยอยีก ท, ทีนึ่งเครื่บานั่ ง, งไม่พูดไม่จา่าอยู่ในความสงบเช็ดบาข้ามบ่าเช็ด บ, บาแหง ส่หลวงพ๊บก็ระสงเรียบร้อยแล้วน่าบ่าเรียบร้อยบ่าจะมนสภาพเรียบร้อยรับตราบระตราบทระเระยกได้กันไปอุมบาาไปถึงเกศิก้าวขึ้นบันไดมีไหม้าสาเป็นสิบลอยเกศติอยู่ใกล้กับบ ถึ้นข้าพ้นไปตะเกียวตัวนั่งหลงหวาดว่างลงตรงข้าวาำความเทียนเีงไม่น่าสามเองไม่น่าสามพ้าเทียบบ้างข้าชงหวานบ้างซอยถาบ้างถ้าไม่ได้ยินเสียงเพลงไม่ยินเสียงกละขราวจะไม่ลุกจะอยู่ที่นี่ ลองตัวด้วยงไม่น่าสาะเหนือไรใครย่อยช่าหมันปวดขาแล้วนั่งใเทียบกับสมาร์ทชอยขาก็มีบางโอกาสของความเปลี่ยนบางลกความเปลี่ยนมันก็มันก็มีประโยชน์เป็นสาระมันคิดไปกลับมาลู่มันสุขเขนมันลูกเปลี่ยนมันปวดมันอะไรเคยขึ้นต่างๆลรู้ทั้งมัน แม่เข้าไปความรู้สึกตัวแย่เข้าไปกับระการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับป่ากับใจเราบางทีมันหนัก บ, บางทีก็บาบางทีก็ง่ายบางทีคนยากสอนตัวเองเน่ะเวลาใดที่มันง่ายก็ก็ไม่มีค่อยม่รู้กิจช้า แต่เวลาใดมีลาใดที่มันยุ่งยากมันฉับสนมันหมกมุ่นมันคุ้นคิดมันอะไรมันคิดเหมือนกับไฟเขียดกูกุดจับไม่เป็นเช่นได้สนุกดีแทนที่เราจะยุ่งยากยุ่งเหยิงข้างเทรียดไม่ใช่ได้เห็น้าการต่างๆที่มันเกิดขึ้น่งเป็นงานเป็นการผ่านได้ในความยาก พวงไงายไม่ได้ผ่านอะไรสบายเลยแต่เวลามันยุ่งยากกมันผ่านได้มันเช่นแข็ขงตรงนั้นอะไรวันทนลักขามาในความคิดอะไรต่างปัญหาต่างต่างอาการต่างๆเกิดขึ้นมีสติเลื่อไปดีดีสติเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งใดที่มันยุ่งยากัยิ่งยาก ชื่นใจได้ทำในสิที่มันยากมาันสำเร็จได้เมือนเราทำงานทำการอะไรที่มันยากมันมีอยู่บางคนก็ชอบทำงานแต่ยุ่งยุงยากยากเล่นคนโบราณจะดีแก้พ้ายจะไล่แก้ใหม่โูนน้อยเล่นใหม่มุ้นอันเรียกว่ามุน ไม่เห็นส้นเห็นเงินใครเอามาให้กูนั่งปดนั่งแครีย น, น้าตะยิ่งยิ่งยังใจใจดีแก้ไอฟังใจร้ายเชื่อม่เป็นงานของคนบางคดบางคนไม่สู้ไม่หนักไม่เอาบองไม่สู้วังเช่งตอนที่มันมีปัญหา เราจะได้ปัญญาตอนที่มีปัญหาการสอนตัวเองเนี่ยบางทีบางวันอาหารมีพอไม่เมื่อได้ยินเสียงเกนไม่ได้ไปสนสนุกกับความเพียนสนุกกับการทำงานหันหน้าเข้าฝาหันหน้าเข้าฝาหันหลังให้งอยยือนคนเดินมาตบกระดกกบางที มีขื่นเดินมามาถ่างเข็มเขอมได้มีได้มีเขียงเดียวก็ไม่มีสติดีดูไม่พูดรูปไปแบบไม่พูดไม่จากรูปไปไปหยับไปจิกไปเอาเข็มมาได้ยื่นให้ยิ้มให้กนิดหน่อยลับาก น, นั่น ไม่เลยส่นใหญ่เลเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นที่ไม่ใช่เรื่องสติใส่ใจไม่ใช่หลงสร้างสติไม่ดีเาดอาผู้ก็ถสาวมาลูกศิษตัววันไหนมีอาหารดีไม่หิวไม่เหมือนว่าเราห น, นนะ้าอาหารเฉยๆนะทมพริกถ้วยหนึ่งนั่งวงกันสองสามลูกอ๋วยเตี๋ น้ำเพล็หมดมันจะหมดอนน้าเลงาเท่ลงไปออนน้ำปลาใส่ลงไปน้ำปลาก็ทำเองตอนันางทีก็าวันก็หิวถ้าวันไหนหิวก็ไปฉันบ้าบมาบทีก็หาหน่อไให้่ันหน่อไม้เยอะแยะไม่ไล่ไม่ไมขาด หมดละบาทีไม่ไปฉันไม่ชีก็มาเรียกเจ๊หน่อม้าไันเจหน่อม้ยไม่ไปฉันใส่หม้อเลยไปก็ไปฉันไอฉันเห็นมาแล้วต้อง้งเดิน้องนั่ง้งเดินสระเกียงกันไปต่เรื่ยังนมนี่ก็เป็นของใครของมันหวดกัน มันเลยไม่ต้องจุดเทียนจุดปล่อยกางค้นทางมันเป็นมันอะไรผ่านนิดหน่อยก็เห็นแต่ความเป็นหนอมันก็ตามดีสนุกการเดินกต่ความแข่งขันกันทำแข่งขันกันดินก็เหมือนดินกับวัสุกัตโตนี่แหละแล้วก็ทำเป็นครูขึ้นหน่อยเดียว แล้วก็นวดเฟ่น้ำไม่ตีให้เรียบๆมันเลยเดินไม่ขอลองเท่ามาันไม่มีมิดไม่มีมิดตินติดหัวเท่าเลยต้องการจะโกนที่หน้าเจียวให้ใช่สะบวกในการทำให้การประกอบให้ าการรบความเพียรมีสตินำชน <c oughs> าเดันเตียมไว้พึนเองอไปเชินเองดูสิทีทีก็ควมันงกงาวขึ้นมาได้นอกจากอยู่ในรูปแบบขอ ง, ขอ ง, ของการเจริญสติแล้ว ท, ที่อยู่ในอยู่ในเส้นทางเดนะินยังกงนั่งสร้างจหวะ เวลาใดที่เราออกจากการที่เอาไปยิ่งยิ่งละมัดระหวังยิ่งดีไปเป็นธรรมบัตพยายามไม่หลงพยายามไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไปไหนใช่เฉพาะที่จำเป็นต้องใช้จำพูดไปจําเป็นที่ต้องพูดถ้ามันจะเป็นก็ไม่ต้องพูดข้ามเพื่อนบางรูปบางหลงก็ ชวนหลงชวนคยชวนพูดเราก็ระมัระวังไม่หลงไปกับเพื่อนเพื่อนหลงเราก็รู้เราไม่หลงเหมือนเพื่อนชีที่เพื่อนหลงเราไม่หลงบาทีเพื่อนรู้กับเราก็เอาอยากเพื่อนเอาเทิ้งขึ้นเทิ้งลกเมื่อเพื่อนหลงเราไม่หลงเมื่อเพื่อนรู้กับเราเรารู้กับเพื่อนเอาหมดเรียนทุกอย่าง เวลานอกรูปแบบเขียบตกตลอดเวลาเป็นความสนุกไม่ใช่คำเทียบไม่ใช่เครื่องขึ้นจริงๆมันยิ่งเลี่ยมเกียเส้ไม่ใช่หรอกมันระวังปล่อยเลยแต่ครับแต่เอาตรงที่มันผิดพลาเหมือนเราปล่อยอะไรแช่วางมือได้แต่เวลามานันิดมันชอนมันะ แล้วนั่นมันจะเป็นง่ายกว่าที่จะไปจับกันบังคับไปอยู่เสมอมันอาจจะมันใหแต่อาจจะไม่ดีแนละ้วสอนเองสอนคนอื่นหรือสอนศัตรูเหมือนกันโดนจับวัวจับควา ย, าายหัดเชือกหับข่าหัดถทยหัดลอหัดเกวียนบางคนหัดจับไม่เป็น สับดีเกิดสับทันยศไปเลยเช่นเวลามันเอาเพียงเอาค่าเอาถ่ามันหนักเมื่อไหร่มันหนักคนโตหัดมันก็ตีมันมันก็เก็บทั้งหนักทั้งเก็บทั้งตีมันแล้วก็ทิ้งทิ้งงานเลยอดหนี้ไปเลยไม่ยอมเวลาใดที่มันหนักทุกตีทุกที มันก็เจ็ดละเคยเป็นสัพยุตไปเลยถ้าเป็นวัวเทียมเกียนก็ทิ้งโลที่เกียนไปเลยถ้าเป็นควายเทียมค่าเทียนไปก็ทิ้งค่าเทียมใสไปเลยไม่ยอมดันเลยเป็วลาดันที่ใดถูกปีทุกเดือนถ้หาหักเป็นก็ให้มันดันไปลูกกรรมมันไปดีดีีในร่วมก็ไม่ให้เกิดขึ้นมันก็อยากดำอยู่ถ้าาไรเถ้าไรา ก็จบส้างบรรยากาให้กับมันเหมือนโคเต็มนกโศรใช่ไหมม่เคยได้ฟังไหมโคอะไรโคเงินทาพิสานเนท่าพิสานามมิเป็นโคของคนจนเห็นไห อินเดียไปไปเห็นไหมโลอลา่ารถล่าของเนะี่ยเท่ากัรถเฉียดลนะ้อนะยาถ้ารอสาทุกวันยังมีนยเหมือนกับเท่ารถเฉีอนีทุกท่าทนีทุกอะไรกตาโก็ตัเดันเลยล่าทา เขามีงานแชงขามกันโคให้จะเจงกว่กันล้ำน้ ำ, ำหนักเดึนรถรถจะใหญ่ไปได้หลายคนนี่ก็มีโคเรียว่าโคชื่ออะไรจะไม่ได้หรอกนะถ้าไปแข่งกันกาไปแชงงก็เรียกเทียมเปลี่ยนเข้าไปหล่า โตอก็จะเปิไตโคองก็จะเปโคอะไรก็ไม่ออานเลยเคยเดันเคยลาไตก็ลำหนักมากไม่ออเลยเจ้นั่นเจ้าของเสียนเสียตัโคก็เป็นทุกเดินเศ้าเสียใจก็อยากทดลองเอไม่เคยเป็นเช่นนี้ แทงกระดิกก็พลันกระดิกทีนึงก็ต้องใจใหม่เจ้าของโคพอคโภทาเชียงเออลูกหลาลู ก, ลลกพ่อช่วยพอ่อตอนเราไม่มีอะไรเราลักข้าให้เออ ก, กํำลังช่วยพ่อให้ได้ลูกตลาลูกข้างเอาไปลูกพอ่อไปลูกพอ่อดอนไปได้เลย เราก็เหมือนกันบางทีก็ต้องเคลียตัวเองแบบยกมือยกที่ห้ตัวเอาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากก็ไม่เป็นไรใหยก็ไม่เป็นไรสุขไม่เป็นไรทุกข์ก็เป็นไรเหือไหลก็ไม่เป็นไรเหมือนอาบน้ำมนลอยนั่งเพียงไม่น่าสาวไม่มีเสื่อไม่มีที่นั่งแบบนี้นั่งกระดาษเพื่เหงื่อไรลออก เป็นหลอยนะ้ำเป็นหมันจังไรสีขาวเด็ไม่มีป่าไม่สูงสูงเหมือนบ้านเหมือนบานเขาเนี่ยพุทธยทานท่าใหม่จากไล่ชาวบ้านที่เขาเคยทำปลูกข้าวปลูกงาเป็นป่าช้า พอเห็นภาพไปอยู่ของคืนหน่อยเป็นปกติตอยู่ ก, ากลางแดดอนก็ร้อเจอซีผ่านรอผ่านหนาวศูนลบสบ อ, องศาศูนลบส อ, องศาบินทั้งบาาหน้าโลกเจอความหนาว เนนน้อยร้องให้พระสงบางรูปเดินไม่ได้ใจาแต่เห็นพวกหญิงสาวก็จีจักรยานไปทำงานลงหิ้ฟเขายังขับกจักรยานไปทงานได้เรานี่เดินได้ไม่กําลังบอกเนนนย่นหรเขาจี่จักรยานไป ตอทํามยืนนี่นะไปพอนะเออไปสู้ทุกยามีนันกันนความยากมันเป็นความเข้มแข็เวลาเราฝากราอคอนแเ็พยายามเอาชุดตอนให้ดีๆแข่งชุดต้อนชุ ด, ดตอนไม่อยู่ตรงไมเวลาเราจะเปลี่ยนใน้ี่นเรานั่ง้วเขียบสร้างจังหวะ มันปวดอาจจะเปลี่ยนเป็นนั่งขัดสมาด้วยวารนั่งขัดสมาดันปวดตาเท่ารูสตัวตั้ต้นอีกใหม่ซอยขาตังต้นตั้งอะไว้รื่อยไม่ไม่ความคิดหอะไรที่เป็นความหลงจะพยายามทงความคิดทางกายทางตาทางหู ตอนที่พูดว่าเขามาถามมาเขียนเรียนภาพมันจะหลงมันจะพูดหลงไปมันจะหมกกูหลงมันจะพูดหลอยคำต่างใจไม่พูดไเอาเขียน ม, มาพยายามเอาตัวต่อดูตัวเองให้า่าประคองพักน้อยมีสติเต็มที่อะไรก็ตามก็มเคยทำแบบนี้เหมือนกัน แดี๋ยวมันก็เล่นก็ได้ปอสะพ้านสะ้ายก็ได้วังวังก็ได้เห็นอะไรกันวังไม่เป็นไร่ไม่กันไร่บางทีก็เดินเดินไปคติเพื่อนนู่นเพื่อนนี่เดินไปบางลูกก็นอนอยู่บางลูกก็เดินอยู่บางอยู่บางลูกก็นั่งช้านใจว่าอยู่เดินไปแล้วก็ เห็นประสบการณเห็นสิงเวดล้อมอะไรหลายอย่างแล้วก็เอามาสอนตัวเองอะไรที่มันไม่ดีเราก็มาสอนตัวเองเห็นเพื่อนนอนเห็นเพื่อนเดินจะไม่เอาอย่าเพื่อนที่นอนเพื่อนที่เล่นบางทีก็เห็นต้มน้ำชานัาง่งเกินก็อยู่สองมือสองมือ เี๋เอาไปก็ดชวนเดี๋แว้วก็รู้มาเดินผ่านไปเอาค่าถ่ายอาทีก็่าถ่ายไม่ใช่ถนองนะมาเ่อหลบรีไปเลยซู่โอกาสบานทีก็ออกมาต้องการเล่นเ่นหน่อยอันทีก็มีเคลื่อนเอาอย่างด้วยเวลาโมง เรามองมีงานทำไหมจะทำอะไรละ่ะต้องการสกุดช่วงที่ใดบ้างเออมีเหมือนกันไปบอกที่ขุดเรามองขุดช่ว ง, ด, วงดิ้งดิ่ง เราเมืองสู้กได้ต้องกดสู้ค้องกดหลงสู้บางทีก็มีนะแต่วันที่มันก็ไม่ยากขนาดนั้น รู้ไปไปไปไปรู้แต่น่ารู้ที่แต่ ไม่มีใครหลอกเราเลยทั้ตัวลรกคนอื่นหลอกก็ไม่ต้องหลอกแม่แต่ผีมันหลอกเลยเจผีหลอกไหมไม่เจอแักทีผีหลอกเตอสิ่งอื่นที่านันเราตัวเงหลอกเลยหลอกให้ตัว คิดไปแท่คือคนคิดแต่ละลกเลอคิดเราตน ค, คิดให้ตัว เ, เป็นสุขคิดตัวเองให้เป็นตัวคิดให้ตัวเองเป็นคนโลไม่อยู่กับโลกแค่ว่ามาเห็นตามค เ, เป็นรูปเห็นนามนะเป็นรูปเห็นนามทำนะโอ้ได้ความฉลาด พอเห็นลูกเป็นน้ำลูกมันบ่อนามันบ่อแต่ก่อนทุกเป็นทุกพอเห็นลูกมันเป็นอาการของลูกโคมันเป็นอาการของน้ำมันใช่โคดโคดโน้มหลงการของน้ำ อาจเป็นตัวเป็นตนจริงๆแต่ก่อนเราเป็นตัวเป็นตนกับมันจบทุกพอใจไม่พอใจอะต่างเราู่ในอำนาจของสุขหอหนาของความทุกข์พอเห็นลูกทาเห็นนามทำเหรอเห็นลูกเห็นนาไม่ใช่หำนาจหรอกอกมาดูออกมาดูออมาดไม่ถูกข้อกไม่ถูก มัดถกตึงด้วยอนาจของขมันมาดูาเห็นกโทษสอง่อเจียนช่างฉลาดนาสอนให้รู้จากูกนามพ่มอแม่ไม่เคยสอน <c oughs> ไม่เคยมีครูอาจารย์คนไหนสอนให้ลูอย่างนี้เทอย่างนี้มาลูกอย่างนี้เหรอท้อย่างอื่นไม่รู้นะทำไ ม, ไมเห็นกาย ที่หวัเคลื่อนหต้องมาเห็นใจที่หวังเคลื่อนไหวมันจริงจะเห็นไม่ใช่เห็นด้วยความคิดไม่ใช่คิดเห็นมันเป็นการพบเห็นมันเป็นการพบเห็นไม่ใการชัเก๋อการพบเห็นไม่ลึกซึ่งไม่ไม่ยกการชักเก๋อกัน ชนกันทั้งสองยแต่ความชนทั้งสองฝ่ยอันหนึ่งลมไปอันหนึ่งไม่ล้มไม่เจตนาจะชนแต่บางชนเขานวดจ้าอีใช่หมมันมันมันก็นล้มไปพ่าแพ้ไ ป, ไปอตอนที่มันลมกัตอนที่มันไม่ล้มต่างกัน มันเป็นาราชนะตัวเองมันใช่ชนะคนอื่นเห็นความหลงความหลงร่วมก่อพวงเห็นไม่ร่วมเอยอะไรถูกอะไรผิดตรงนี้มันเป็นาราชนะตัวเองในการแพ้กับแพ่พพตัวเองแต่เนี่ยอันหนึ่งกาแพ่กัน อ, อ, อันหนึ่งชนะ ยังม like like ีคำพูดออกมาว่าความหลงไม่จริงควมไม่หลงมันจริงไม่ใช่ความจิงเห็นทีไรก็เป็นอย่างนี้ความที่มันเป็นลูกเป็นนามเนี่ยควงทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงมีทีไรความทุกข์มันก็เห็นอย่างนี้มันไม่จริงทุกข์เขาความโกรธก็ไม่จริงความไม่โกรธมันจริงนะมันจึงมีคำพูดอย่างนี้คำพูดอย่างนี้ออกมา เพมันเห็นกับอ่ในคือสติทากับมือคือการกระทามือคือการกระทำไม่ใช่มือนิสิเปล่าเนี่ยมือคือการกระทาทำตั <c oughs> หไหนเรา่วได้ทำดีได้มือคือการกระ ท, ท, ะทารระทเป็นกรรมชนิดหนึ่งเป็นกรรมที่ชนะกรรมคนะความชั่วด้วยความดี ไม่หมายถึงไม่ใช่มือ5านิ้ว1สนิ้วบนใบการกระทาเป็นกรรมฐานจำแนกไปเลยจึงมีคบพูดออกมาว่าเห็นความเท็จเห็นความจริงที่มันมีอยู่ในรูปในนามนี้เห็นเรง น, นี้มันลืมไม่เป็น ไม่ลืมเต้นอย่างนี้ไม่ใช่เต็นแบบเนื่อแบต่อมนลืมได้มันเห็นต่อเนื้อลืมได้เห็นต่อไนมันลืมไม่เห็นมันก็เป็นอันเดียวอยู่นั่นแหละเห็นที่ยู่จบไปต่งชาไม่มีความสงใจที่เห็นลูกเห็นหนอเห็นลูกทองเห็นหนอนทองมัน เห็นลูกทุกเห็ น, น้องทุกมันมีอะไรที่จะ ย, ยอดเยเี่ยมไปกว่าเห็นลูกทุกน้องทุกเราตื่นรุ่นช่วยตัวเองยกคนช่วยตัวเองสนุกการช่วยตัวเองเ<ม>ก่อคู่ชีวิตตัวเองขึ้นมาเป็นกามสนุกเป็นการสมน้ำหน้ามันเป็นการที่มันมือมากมือที่เราเห็นนี้แหละไม่ใช่หมือท่าเริ่มสิ่งนี่หว มือของไกรทำนะจุคนขึ้นตอนเห็กทุกเด้กทุ่างสารเปลี่ยนสิีกว่าไม่เคยช่วยเปลี่ยเลยพอให้ เ, เปลีนไปทุกทุกทุ ก, ทกชาติทุกคนบทนี้เราจตะ ก, กนว่าเดีนี่เราไป อที่เป็นทุกเกิดจากลูกจากน้ำจะไม่มีจะไม่เอารูปอนามาเป็นสุขมาเป็นโทุ ก, กข์จรูปอนนามมาเป็นประโยชน์เอาประโยชน์จากรูปถ้าไ ม, ม่มีรูกมันก็ทํำอะไรไม่ได้ถ้าไ ม, ม, ม่มีน้ําก็ทําอะไรไม่ได้โค้ชถึงคนโค้ชคนแรนออกจะให้รูปเป็นหนามมา น, ามมนมี้ พ่อแม่เราอาจจะทำไม่ได้แต่ลูกชายของพ่อของแม่ทำได้เราหน้แม่ห น, น้าพ่อน้อยากจะบอกอะ น, นี่ไม่ให้เกิดมาเพื่อการนี้ไม่ให้เกิดมาเพื่อเจเจ็บตายให้เกิดมาเพื่อการนี้โดยตรงจะไม่เอ า, าเรูปหน้ามริสุทธิ์บริสุกธ์กจะไม่เอาคีิไปเสียกับลูกของนา้าชีวิตต้องเห็นได้ไหม ที่จริงๆมันต้องเห็นลูกเห็นนำอาการที่มันเกิดกับรูปของเรามาใช้ที่เรามีปัญหามันก็เห็นไม่เปลี่ยนกับมันทั้งหมดอนเี้ย่าอะไรต่อยอดี่ยเผ็ดไว้ทั้งหมดต่อยอดยืมขอามาใช้ทำเรื่องดีต่อยอดเป็นพันดีเช่นยาพันเดิม ไม่มีน้ยายาแต่มันมันแข็งแรงลากมันจะยันหาอาหารเจรล่ามันแข็งแรงเอายอดใหม่ไปต่อลาาเดิมให้ลากเติมมันหาอาหารให้ลากใหม่เอาหาอาหารให้ยอดใหม่แต่ยอดใหม่มันจะ กิจกรรมของฝนในดีกว่ายอดเก่าแต่ลากเก่าออาจากลูปจากนาำนี้แหละเป็นลากเก่ามันเป็นมากเป็นผลที่เกิดจากรูปจากนามนี้ถ้าไม่มีรูม่นาำมันไม่มีมาปถ้าไม่มีลูกก็ไม่ได้พ่นจากลูกถ้าไม่มีหลงก็ไม่พ่นจากหลงถ้าไม่มีปวดก็ไม่ได้พ่นจากโวดขอคุณกองทุกขอบคตรกองปวดขอคุณกองหลง ย้อนใหม่มันได้จากอย่านี้ถ้าหลงเมื่อเลยนั่นแหละลองดูดีๆให้ียบปายให้เห็นหลงกับรู้เหมือนคนละมุมกันเห็นสองข้างสองข้างอาจจะจบได้ถ้าแยกปลายดีๆนะหลงเป็นหลงจบไปเปล่นทุกเป็นทุกจบไปเป่โกรธเป็นโกรธจบไปเปลี่ยนมาดูย่ อุปทานขันตังห้าเป็นตัวทุกมันเป็นตัวเป็นต้นมันเป็นตัวเป็นตนในรูปในนามมันจึงมีอุปทานขันตังห้าเป็นทุกมันเราสวดมนต์ธําวบัตรว่าโดยย่อุปทานขันตังห้าเป็นตัวทุกทั้งสองมงสองมทั้งหลายมันชดชะสองมทัาหลายนะากาย็รู้เช่นนี้เป็นส่วนมาก พรเจ้ากระสอที่นี้เป็นสวนมากเห็นรูปเป็นนามมันเป็นรูปนามมันเป็นขันธ์้ามันมีวิญญาณธาตุมันรู้เลยได้สิ่งที่มันรู้เลยได้มาให้มันเป็นใหญ่มันเจ็บมันเต็มใหญ่เจ็บเป็นชุก เจ็บเห็นมันเจ็บมันเจ็บเป็นก็ดีแล้วจะได้ช่วยมันมันหิวเป็นก็ดีแล้วเจ็บอะไรมดกัดจะเจ็บน้องจะเจ็บยุงกัดก็เจ็บก็ขาบก็เจ็บโอนเมื่อไหร่จก็เจ็บแต่ว่าอะเจ็บไม่เห็นมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเือนเดียวกันมันตายเพเดียวกันมันทุกขเพเดียวกัน hiển là tên c h ù công cộng a chi hiển cái chùa công cộng tên chùa chùa lưới ở tỉnh gia c o lăng xả lô để thúc giỏ lô cái này anh lô ทุกคนชาจาบิาตาจให้ัดสมพูดเจ้าเป็นเครื่องกระเจทุกทั้งหมดทุกคนชอบท่าจาบดิาตาจให้ัดสมัยสมเป็นเครื่องกระเจาทุกและทำเป็นเครื่องกทุกจับกัตววพุทธะังโพตมุขธรมวาลังตั้งตีวนจลังุทธเกเรชวตะุนพัตวะจะไทุกขะจะเพปัญญาเพไปคลก พระธรรมพุทธเจ้าพะพุทธเจ้ามาทำผสมเป็นอุศว่าในเทศกาลนี้เวาพระไปชมรมในบ้านทำน้ำมนต์ยกตะวันพุทธลัตตระอจฉัมพุทธลัตตระพะพุทธเจ้าอุจฉัมเป็นอุสว์อุจฉัมตตมวังักพรรโคา กูกำลังเปิเป็นธุบายพระพระพุทจ้าคือพุทะมาใช้สวดอะตธมม่นมันโอ้มาเห็นสจธรรมมนอันนี้สัมโพุทธศาสาการกระทนเป็นเครื่เงินจัดทุกทำโมทุกสกตวะธรรมนิตังโอวสตางกุตตัวัลัง ชัดกตัววันจมตระตโอเวชังตังมัลังสัพพะตุกะสัพพะญายสัพพะโลกาบุพัตสัมเณตโตติลไปเลยฮ่าฮ่าาะว่าอย่างไงนะะไม่ใช่เราว่าด้วยนะมันคืออะไรมันคือภาวะที่รู้เนี่ยเอาเลยพวกเราเน่ะมันรู้นอนรู้นั่รู้กินรู้เดินรู้อารมณ์ดูใจให้มันหลงมันหลงมานานเหลือเกินอะจนถึงมนหนี แบนี้เอาละระหว่างหลงเอาไปก่อน่ราจะลู่ไปใช่ลู่ไปต้องประกอบนะถ้าไม่ประกอบมันเป็นไรไม่ได้จะมานั่งลู่ซิ้นลู่กันได้สัมผัสตองลู่ต้องสัมผัสลู้มันจะมีลู่แนี้ลู้เป็นีู้่างนี้ไปชิ้นลู่แบบรู่คาลู่มันอย่างนี้ลู้มันจะไปแบบนี้ลู้แล้วหลงลู่แล้ว สุกรู้แล้วทุกรู้แล้วโกรธรู้เร็วผิดรู้เรวถูกรู้เร็วอะไรก็รู้อนียรู้เนี่ยรู้ไม่แช่รู้แบบคิดนะอ๋อสมควรเจอแต่ส